คุณครีวุฒิพาใครมานะเคยฝึกที่ไหนถ้าคุณนี้ลหละเคยมาไหมผแเคยไปหัดที่ไหนไหมผครักสาเคยไปคทกาจไปฝึกที่ไหนมาบ้าง โอ้โสอนยากเนาะครัทางกันนั้ง น, นันเลยหลายสายว่ะทำเป็นย่างคือมาเรียนสองวันลนะ รู้จักสภาวะกี่อย่างน ะ, นะเผนะ อ, ร, เ อ, เอรู้จักอะไรบ้างตอนนี้นนรู้จักเผลอไหมพวกเราฝึกมาคนละอย่างสองอย่างนะคนละวิธีการ วิธีการเนี่ยไม่ใช่เรื่องสําคัญนะแต่และสำนักก็จะมีวิธีเฉพาะของตัวเองความจริงเป็นแค่อุบายอุบายวิธีเป็นแทคกติกเฉพาะตัวของครูบาอาจารย์แต่และท่านท่านก็สอนต่างๆกันเนี่ยธารมมาอยากชวนพวกเราลองย้อนไปดูว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราจะได้ไม่ต้องนั่งเถียงกันว่าสายไหนดีหรือไม่ดีเดี๋ยวตีกันเอง ชาวพุทธเราตีกันเองเก่งคือพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกความทุกข์เนี่ยเกิดจากความอยากอันนี้พื้นฐานในความทุกข์เกิดมาจากความอยากความอยากของเราเนี่ยมันเกิดมาจากความไม่รู้ความไม่รู้อะไรไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จกั ก, จกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั้นก็คือรูปธรรมานมามธรรมหรือกายกับใจนั่นเอง เราไม่เข้าใจว่ากายกับใจนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่เราคิดว่ากายกับใจนี้เป็นตัวเราพอมันมีตัวเราขึ้นมาเราก็อยากอย่างน้นอยากอ ย, ากอยาก่างนี้เราก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นเด็กก็ทุกอย่างเด็กๆเป็นผู้ใหญ่ทุกอย่างผู้ใหญ่เป็นพ่อก็ทุกอย่างพ่อเป็นลูกก็ทุกอย่างลูกแต่ละคนจะเป็นอะไรก็เป็นทุกเพราะอันนั้น มีพระพุทธเจ้าก็เลยพาให้เราดูให้เราสังเกตว่าจริงๆแล้วเราไม่มีนะจะเริ่มมามาสู่จุดนี้ให้สังเกตลงไปในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือร่างกายกับจิตใจนี้ให้เฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปว่าจริงๆแล้วมันเป็นตัวเราจริงอย่างที่เราคิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเราอย่าเชื่อนะอย่าเชื่อว่าไอ้ก้อนนี้ไม่ใช่เราอย่าเพิ่งเชื่อ ให้เรามีสติคอยค่อยๆเฝ้ารู้เฝ้าสังเกตไปนะเครื่องมือในการเฝ้ารู้เฝ้าสังเกตเนี่ยที่ท่านเรียกว่าวิปัสนาบ้างเรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานบ้างนะการเจริญสติปัฏฐานในการทําวิปัสนาเนี่ยเบื้องต้นเราต้าตองหัดรู้สภาวธรรมก่อนนะเพราะฉะนั้นบางครั้งสายอภิธรรมพวกที่ศึกษาอภิธรรมมานะเขาจะไม่เริ่มด้วยการปฏิบัตินะ ส่วนนักปฏิบัติเนี่ยชอบเริ่มด้วยการปฏิบัติทางอภิธรรมจะไม่เริ่มจากการปฏิบัติแต่จะเริ่มจากให้เราเรียนรู้คําว่าสภาวธรรมก่อนสภาวธรรมที่เรียนรู้ก็มี72อย่างมีจิตหนึ่งอย่างจิตนี่มีอย่างเดียวคือจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์เรียกว่าจิตเจตสิกห้อย่างรูปนะรูปในตํารามี28รูป แต่รูปที่เขาศึกษาตัวสภาวะมี18รูปแรูปอีก10รูปไม่มีสภาวะจริงๆแล้วก็อีกหนึ่งคือนิพพานนี่รวมกันแล้วได้เได้72อย่างนี่เขามีความคาดหวังว่าถ้าผู้ใดได้ศึกษาทำความเข้าใจสภาวะธรรมไปทีละอย่างทีละอย่าง อย่างนะเช่นจิตเป็นยังไงจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะสิ่งอื่นๆนะั้นมันถูกรู้นะจิตเป็นผู้รู้อารมณนะ์ค่อยๆเรียนไปทีละอย่างทาความเข้าใจไปนะก็มีความมุ่งหวังว่าถ้าเมื่อไรเราสามารถเข้าใจสภาวธรรมได้แล้วก็สภาวธรรมอันใดปรากฏอยู่ถ้าสตินะมันรู้ทันสภาวธรรมนั้นนะใช้ได้แนละ้วนะสติจะต้องเกิดขึ้นเองไม่ใช่ไปสร้างมันขึ้นมานะ เมื่อสภาวธรรมเช่นจิตมันรู้จักความโกโรธนะความโกโรธเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยสติมันจะเกิดอัตโนมัติคือมันจะเกิดรู้เท่าทันว่าความโกโรธเกิดขึ้นแล้วนนี้พวกเราถ้าไม่อยากไปเริ่มด้วยการเรียนสภาวธรรม7จิบสแบบอภิธรรมนะเราก็มาเริ่มแบบนักปฏิบัติก็ได้มิธีเริ่มหัดย่างนักปฏิบัติก็คือมาหัดดูสภาวธรรมเท่าที่จําเป็นไม่ถึงเจดสิบสหรอก เท่าที่จำเป็นเช่นรูปเนะี mm ่ย hmm. ก็ดูตั้งสิบแปดรูปนะเราดูแค่รูปเดียวก็ได้คือรูปยืนเดินนั่งนอนอันเดียวก็พอนะหรือเราจะดูการเคลื่อนไหวของร่างกายนะการคูุการเหยียดกระดุกกระดิก็ะลรคอยรู้สึกไปนะคอยรู้สึกไปนะอย่างนี้เรียกว่าหัดดูรูปนะ ตัวเวทนาเราก็ไม่ต้องไปเรียนอะไรมากนะไม่ต้องเรียนถึงสิบแปดเวทนาเขาได้เรียนนิดนิดหน่อยๆพอยพอนะเรียนสัก5าตัวก็พอความสุขนะความทุกข์ทางกายเกิดเนี่ยให้เรารู้ทันเช่นนั่งอยู่แล้วมันปวดมันเมื่อยให้เรารู้ทันมีสติรู้ทันมันนั่งแล้วมันสบาย นะมีความสุขทางกายก็รู้ทันนะนี่สองตัวอีกงานหนึ่งคือความสุขความทุกข์ทางใจนะเรียกสมนานัตเวทนาโทมนานัตเวทนาแล้วก็ความเป็นกลางกลางเฉยๆทางใจเนะนะนี่ยอุบกขาเนี่ยเราเรียนแค่ว่าความสุขทางกายทางใจเกิดเราก็รู้รู้ไปเรื่อยๆนะหัดรู้สภาวะนะ ทางจิตใจนะหัดรู้แค่แปดตัวก็พอนะจิตมีทั้งแปดสิบเก้าดวงร้อยี่สิบเ็ดวงแล้วแต่จะนับนะเรารู้แปดตัวก็พอนะจิตมีราคาก็รู้ไม่มีราคาก็รู้มีโทสะก็รู้ไม่มีก็รู้นะมีโมหะก็รู้ไม่มีก็รู้นะจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหด ถ, ถูก็รู้หัดรู้อยู่แค่นี้ก็พ อ, นะอหัดรู้ไป เพราะฉะนั้นเวลาเราหัดจริงๆนี่พูดเป็นอย่างๆนี่ฟังเราก็ยังยุ่งอีกนะเดี๋ยวต้องมาคอยนับคอยจำมีวิธีไม่ต้องนับไม่ต้องจำก็คือถ้ากระดุกกระดิกก็รู้สึกไว้นะไม่ต้องมานับว่ามันเป็นรูปอะไรก็ได้นะร่างกายกระดุกกระดิกนี่คอยรู้สึกตัวไว้ น, นั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่นะอย่าใจลอยอย่าใจลอยไปถ้าเรานั่งใจลอยนั่งเหม่อก็เรียกว่าเรารู้สภาวะไม่ได้ ในทางจิตใจก็ให้เราหัดชำเลืองชำเลืองดูอย่านั่งจ้องนะเราจะเรียนสภาวะจากการปฏิบัติไม่ได้เรียนจากตำราแต่เราอย่าไปนั่งจ้องเอาให้คอยชำเลืองดูตัวเองเป็นระยะระยะว่าเอฟทำอะไรอยู่นะอย่างคุณเนี้ยคิดอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้ใจลอยใจลอยนี่หัดได้หนึ่งสภาวะแนละ้ว ใจลอยไปฟุ้งซ่านนั่นเองนะภาษาแขกเรียกซัเพราะห์เลยเรียกอุทัด จ, จะรูปแปลว่าอะไรจริงจนิงใจลอยไปฟุ้งไปนะของคุณคิดทราบไหมหัดทราบหัดเรียนรู้สภาวะในจิตใจของเราไปทีละสภาวะทีละสภาวะนะวิธีที่เราจะเรียนรู้สภาวะธรรมได้นะก็คืออย่าไปนั่งจ้องไว้ก่อนให้ตามรู้นะ คำว่าตามรู้นี้อาตมาไม่ได้พูดเอาเองนะไม่ใช่อุบายเฉพาะสำนักนี้นะพระพุทธเจ้าสอนกายานุปัสสนาให้ตามรู้กายเวทนานุปัสสนาตามรู้เวทนานะจิตานุปัสสนาตามรู้จิตคือมันเป็นยังไงแล้วก็ตามรู้เหมือนไปอย่าไปดักไว้ก่อนความผิดพลาดที่สำคัญที่สุดเลยของผู้ปฏิบัติก็คือไปดักไว้ก่อนรอ นะเป็นต้นว่าเอาเพราะระครางแกล้งเริ่มปฏิบัตินะนั่งจ้องดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ได้เรื่องหรอกสิ่งที่เป็นอุปสรรคสำคัญของการที่เราจะรู้สภาวะธรรมได้นยะตัวใหญ่ๆอัมายอ่อลงมาเหลือสองตัวนี้ย่อเองนะไม่ใช่ของพระพุทธเจ้านะตัวหนึ่งคือเผลอไปใจลอยไปอีกตัวหนึ่งคือการนั่งเพ่งออก ไม่เผลอก็เพ่งสองตัวตะก่อนสอนในร้านธรรมจะสอนอยู่สองตัวไม่เผลอก็เพ่งเพราะตัวนี้จะทำให้เรารู้ทันไม่ได้พอนั่งเพ่งก็คือนั่งจ้องรอดูไว้ก่อนถ้าเผลอก็คือลืมดูนี่สุดโต่งสองฝั่งเพราะฉะนั้นไม่จ้องไว้ก่อนเป็นต้นว่าเราเดินเดินอยู่นี่เห็นเพื่อนรักของเราเดินมาแต่ไกลเนี่เราดีใจขึ้นมาความดีใจผุดขึ้นมาในใจเรารู้ทัน พอนี่ความดีใจเกิดขึ้นแล้วนี่เราหัดเรียนรู้สภาวะเราจะได้รู้แล้วโอ้ดีใจมันเป็นอย่างนี้เองเห็นศัตรูเดินมาแม่เกลียดเข้าไส้เลยนี่เห็นแล้วความเกลียดหน้าตาเป็นอย่างนี้เองค่อยๆหัดเรียนรู้สภาวะไปทีละอย่างสองอย่างดูไปเรื่อยๆพอเราเข้าใจสภาวะธรรมได้หลากหลายได้ชัดเจนได้แม่นยำสติของเราจะเกิดบ่อยๆทุกครั้งที่เรารู้ทันสภาวะนั่นแหละสติเกิดขึ้นมา เพราะฉะนั้นสติเนี่ยอย่าไปทำรุ่งหน้าในตําราท่านก็สอนสติสร้างขึ้นมาไม่ได้นแต่ปัญญาต้องเจริญเอากับข้างกันนะปัญญาต้องเจริญด้วยการที่มีสติเข้ารู้สภาวะทั้งหลายไปจนกระทั่งรู้ว่าตัวจริงของมันไม่ใช่เราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เป็นตัวปัญญาแต่ตัวสติเนี่ยอย่าไปตั้งใจให้มันเกิดขึ้นมา ใจสงสัยสงสัยบ้างไหมสงสัยรู้ลงไปเลยว่ากําลังสงสัยอยู่เห็นไปที่ความรู้สึกสงสัยนะอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปทําอะไรฮนะดังๆังปิงองเออจ้องเห็นไหมนี่สภาวะอีกอันหนึ่งแล้วจ้องจ้องเรไว้ก่อนนะจ้องนานนานก็เพ่งนั่นแหละะจ้องนี่เป็นจุดเริ่มต้นจ้องไว้ก่อนเดี๋ยวก็เพ่งก่อนจะจ้องทําอะไรรู้ไหม มันจะจ้องหาหาก่อนว่าจะดูอะไรดีพอเจ อ, อ น, นี่เราจ้องเลยนะพอจ้องนานๆลงไปนอนแช่เรียกว่าเพ่งเนะี่เราค่อยๆหัดสังเกตไปนะถ้าเมื่อไรสภาวะอะไรปรากฏแล้วเรารู้ทันมันนะสติจะเกิดอัตโนมัตินะพอสติเกิดสติก็จะไปรู้ว่ามีสภาวะอะไรเกิดเช่นการจ้องเกิดขึ้นนะการเพ่งเกิดขึ้น โทสะเกิดขึ้นโลภะเกิดขึ้นเห็นทีละตัวเห็นทีละตัวเบื้องต้นจะเห็นตัวสภาวะก่อนนะเป็นปัญญาขั้นเบสิกที่สุดเลยพื้นฐานที่สุดเห็นตัวสภาวะแต่ต่อมาเนี่ยจะเริ่มขยับขึ้นไปเป็นวิปัสสนาลคือเราจะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายที่ปรากฏนั้นไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นรูปธรรมบ้างเป็นนามธรรมบ้างเป็นเรื่องทางกายบ้างเป็นเรื่องทางใจบ้างไม่ใช่ตัวเรา อันนี้ขยับขึ้นมาสู่การทามิปั ส, สนาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นให้ทาอนุปั ส, สนานะไปตามรู้ไปเรื่อยๆอะไรปรากฏตามรู้ไปนะตามรู้ไปแล้วพอตามรู้ได้ชัดเจนไม่เข้าใจชัดเจนไม่หลงไม่เผลอไม่เพ่งนะต่อไปปัญญามันพัฒนาขึ้นไปอีกมันจะเห็นว่าสิ่งที่ปรากฏนะั้นเป็นแค่รูปธรรมกัะนามธรรมาทเท่านั้นเองนะไม่ใช่ตัวเรา พอเราเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราอันนั้นก็ไม่ใช่ตัวเราความโกรธก็ไม่ใช่ตัวเราความรักก็ไม่ใช่ตัวเราปีติสุขก็ไม่ใช่ตัวเรายืนเดินนั่งนอนก็ไม่ใช่เรายืนไม่ใช่เราเดินไม่ใช่เรานั่งไม่ใช่เรานอนพอเห็นมากเข้ามากเข้าเนี่ยจิตใจมันยอมรับความจริงยอมจำนวนกับข้อเท็จจริงว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราและการบรรลุธรรมจะเกิดขึ้น การบรรลุธรรมมันบรรลุเพราะว่าใจยอมรับความจริงยอมจำนวนกับข้อเท็จจริงเราจะละความวิปลาสการหมายรู้อย่างวิปลาสเช่นหมายรู้ว่าไอเนี้ยตัวเราวันนี้เที่ยงอันนี้เป็นความสุขถาวรไอนนี้สวยอันนี้งามเป็นวิปลาสพูดอย่างนี้ฟังยากไหมยังยากอีกไหมเพราะมาหลายสํานักไม่รู้จะพูดยังไงเนาะ อ้าวคุณแม่ศิริบ้างนะคุณแม่สีสอนทางคุณแม่ศิริทางวัดมหาธาตุสอนพองยุและสอนยกเท้าย่างเท้าโน่นทางคุณหมอคำฝนนั้นลูกฝีหลงพ่อเทียนนั้สอนคําจังหวะขยับไม้ขยับมือนะพวกวัดป่าอาวุธโธบ้างหายใจบ้างแล้วมันจะไปเจอกันตรงไหนวิธีการทั้งหลายทั้งปวงนั้นทําไปเพื่อให้เราหัดสังเกตสภาวะ เราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปยกเท้าย่างเท้าถ้าเราไม่ไปคิดแค่ว่ายกย่างนะเราค่อยๆรู้สึกไปเราจะเห็นว่าร่างกายนี่เป็นของที่ถูกรู้ไม่ใช่ตัวเรามันเคลื่อนไหวไปเป็นวัตถุธาตุที่เคลื่อนไหวไปด้วยอํานาจของจิตจิตมันสั่งให้เดินมันก็เดินเราก็จะเห็นว่ารูปเดินก็ไม่เที่ยงนะเดินนานๆานานก็เมื่อยองเปลี่ยนเป็นรูปนั่งรูปนอนค่อยๆดูไป รูปผองก็ไม่เที่ยงรูปยุบก็ไม่เที่ยงนะทางวัดป่าดูพุโทโธไปพุโทโธพุโทโธไปนะจิตไปอยู่กับพุโทโธก็รู้จิตหนีไปจากพุโทโธก็รู้นะจิตเคลิ่มเคลื่มไปก็รู้เนี่ยหัดรู้ทันไปนะทางสายหลวงพาอเทียนเราขยับมือไปนะขยับไปขยับไปก็เห็นมือมันไม่ใช่ตัวเรานะมันของถูกรู้ถูกดูเหมือนกันพุโทโธดูลมหายใจก็ถูกรู้ถูกดู นะยกเท้าย่างเท้าท้องฟองท้องยุกก็ถูกรู้ถูกดูเหมือนเหมือนกันนะหัดรู้สภาวะไปนี้ต่างคนต่างก็ฝึกตามวิธีของตัวเองไปนะแต่ต้องทําความเข้าใจนิดนึงว่าเราฝึกเพื่อให้เกิดสตินะเพราะฉะนั้นต่อไปเวลาเราเผลอๆ เ, เนี่ยสมมติเราฝึกหายใจไวชํานาญพอเราเผลอเนี่ยนะพอเราหายใจเข้านึกนะรู้สึกตัวขึ้นมาล้สติเกิดนะเพราะว่าสติมันไปจําสภาวะของการหายใจเข้าหายใจออกได้ เรากำลังลืมตัวอยู่พอเราเกิดยกเท้าเราขยับตัวปับ๊บเราก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานะเลิกเผลอแต่เกิดความรู้สึกตัวนะอย่างคุณหมอคำฝนหัดเคลื่อนไหวมือพอเผล อ, อเผลอลืมตัวนี่เกิดขยับตัวนิดเดียวสติมันต็เกิดขึ้นมานะอย่างนี้เรียกว่าออปฏิบัติแล้วมีเป้าหมายนะรู้จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติคือทาไปเพื่อให้เกิดสติ จะเกิดความรู้สึกตัวพอเรารู้สึกตัวได้เราก็จะเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวเรา<ม>ค่อยเห็นเป็นลำดับลาดับไปเรื่องต้นใครฟังแล้วสงสัยรู้ว่าสงสัยรู้ลงไปในความรู้สึกสงสัยไม่ใช่คิดเอาอย่าไปนั่งคิดเอาแต่รู้สึกเอาวิธีรู้สึกที่ดีก็คืออย่าจ้องไว้ก่อ น, นไม่จ้องไว้ก่อนนะ ทำอะไรทราบไหมห น, ไนะนีไปคิดนะหนีไปคิดนะจำจาสภาวะหนีไปคิดได้หรื อ, อยังมันนี้ไป น, นี่หัดอย่างนี้นะคุณหัดไปทีรล้สภาวะทีล้สภาวะหนีไปคิดเป็นอย่างนี้เพ่งอยู่เป็นอย่างนี้ที่กำหนดกาหนดส่วนใหญ่เพ่งใหญ่เพ่งเพ่งอาการเป็นอย่างนี้รู้ทันไปนะต่อไปพอเราไปเผลอตัวเราเพ่งปุ๊บสตบรีมก็เกิดเอง สติที่เกิดเองเนี่ยสติที่ดีใช้ได้พอสติเกิดแล้วก็ปัญญาตามทันเลยปล่อยวางจิตใจโล่งโปร่งเบาไม่มีอะไรไม่มีน้ำหนักในจิตใจแต่ถ้าสติปลอมๆสร้างขึ้นมาแข็งๆแล้วนั่งจ้องนหนักอกหนักใจแข็งๆของปลอมแล้วสติเนี่ยเราสร้างขึ้นไม่ได้แเมื่อไหร่เรารู้จักสภาวะธรรม ไม่น่าสติจะเกิดฟังเราสงสัยรู้ว่าสงสัยทราบไมมหนีไปคิดย่าเรียนถามเออด้วยกันเทคนิคในการที่จะตามดูสภาวะธรรมนะถ้าเกิดเราตั้งใจมันก็เหมือนจะตั้งใจตั้งใจไม่ได้ตั้งใจก็รู้ว่าตั้งใจตั้งใจมันก็เหมือนเผลอไปเเผลอบ้างรู้บ้างี ก็มันจะเกิดไปส่วนใหญ่มันมีอยู่2อย่างนะอันหนึ่งก็คือเรียนปฏิยัตเรียนให้มันหมดเลยสภาวะธรรมทั้งหลายนะเรียนให้รู้จักแต่เรียนได้ไม่หมดหรอกเจดสิก็ยังไม่ครบหรอกเปนะ็นภาพกว้างๆนะเราต้องหัดสังเกตเอาถ้าใจเราสนใจเรามีฉันทะนะเราสนใจที่จะศึกษาตัวเองนะลืมธรรมะไปสะก่อนก็ได้เราอยากเรียนรู้เรื่องตัวเราเองนะว่ามันเป็นตัวเราจริงไหม ถ้าเราสนใจเราอยากเรียนรู้เนี่ยมันจะคอยสังเกตนี่การที่จะหักสังเกตสภาวะเนี่ยอย่าจ้องไว้ก่อนนะให้ให้คล้ายๆเราสปอรตเช็คเป็นจุดๆ ด, ดูเว้นระยะระยะตปทิ้งช่วงไปปล่อยให้จิตใจทำงานไปสักพักหนึ่งแล้วก็แอ บ, บชำเรืองดูว่ามันไปทำอะไรแอบบไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆเสร็จแล้วจะเข้าใจได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นบางทีก็เห็นมันหลงไปทางตา นะรู้จักหลงทางตาไห ม, ไมรู้จักอย่าง <c oughs> เออนะเด็กเดกเรียนง่ายเรวผู้ใหญ่จะเรียนยากเพราะคิดเยอะ <c oughs> ตอนนี้ทำอะไร <c oughs> ตั้งใจฟังสังเกตไหมว่าตอนที่ฟังเนี่ยใช้อายตนะอะไรบ้าง <c oughs> นะใช้อันเดียวไหมสังเกตไหมว่าใช้หูนิดเดียวใช้ใจเยอะนะ ทำอะไรทีนี้ตอนที่ดูพันเนี้ยนะดูแล้วก็ไปคิดต่อนะดูออกไหมนะค่อยๆดูนะค่อยๆหัดเรียนสภาวะนะคือวิปัสสนาเนี่ยทำไม่ได้นะถ้าเราไม่เห็นสภาวะสมถะเนี่ยไม่ต้องเห็นสภาวะนะเอาจิตไปจับไว้กับอารมณ์แดนหนึ่ง สมถะทํายากนะวิปั ส, สนาจริงๆทําง่ายสมถะทํายากเพราะว่าอย่างจิตไม่สงบจะต้องทําให้สงบจิตฟุ้งซ่านจะต้องแก้ให้หายฟุ้งซ่านนะจิตมีราคาจะให้หายราคะพิจารณาอสุภะอะไรเงี้ยจิตมีโทสะจะแก้ให้หายจากโทสะเช่นไปต้องแผ่เมตตาไม่มีงานต้องทำํำวิปั ส, สนาไม่มีงานจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่าน จิตมีราคารู้ว่ามีราคาจิตมีโทสารู้ว่ามีโทสษตไม่ทำอะไรหรอกรู้ลงไปเรื่อยๆในที่สุดจะเห็นเนาะราคาโทสัมโมหะอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นแค่สภาวธรรมอย่างหนึ่งเท่านั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปไม่ใช่ตัวเรานะอย่างนี้เป็นวิปัสสนาทำอะไรตอนนี้ทำอะไรรู้สึกไหมมีการทำงาน มีการจะทำงานเนะี่หัดดูตรงเนี้ยดูให้รู้ทันการทํางานของจิตใจนะมันทําอะไรตอนนี้สงสัยอยู่สงสัยรู้ลงไปรู้ลงไปที่ความสงสัยนะไม่ต้องถามไม่ต้องถามไม่มีประโยชน์นะ <laughs> ดูซิมันทรมานไหมนะอึดอัดไหมเห็นไหมเนี่ยตัญหา ม, มันเกิดไหมแค่อยากจะถามสงสัยเกิดขึ้นมันยั่วให้อยากถาม เพราอยากถามแล้วไม่ได้ถามแนละ้วความทุกข์ก็เกิดลนะ้วความทุกข์แล้วก็กิเลสทั้งหลายแหละเกิดที่เดียวกับไอ้ความอยากพูดนี่แหละรู้ไหมมันเกิดจากจุดไหนมันโผล่ขึ้นมาจากตรงไหนเนี้ยโผล่ขึ้นมาจากนะขึ้นมาจากกลางอกเราเนี้นะกยกิเลสอื่นๆก็โผล่ขึ้นตรงนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเรารู้ที่โผล่ของมันต่อไปตัวอะไรโผล่ขึ้นมารู้ให้ทันไวๆแต่อย่าจ้องนะ จองไว้ก่อนไม่ได้ให้ถามตอนนี้ไม่อยากถามนะ้วคืออยางว่สภาพที่ว่าตามรู้เแต่มันก็อาโกรธตัดเรารู้ว่าโกรธแต่จะมีช่วงที่ก่อนจะรู้เนี่ยมันจะมีช่วงไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้มันโกรธไปเอ้คุณรู้ว่างเมื่อกี้โกรธไปแล้วเออไม่เป็นไรแล้วมันอันนี้รู้นะเนี่ยตามรู้นะแต่ถ้ามีคนหนึ่งนะแกรวยนะแกบอกว่าแกไม่ใครๆก็กลัวกันะงั้นแกจะละกิเลสของแก วิจ้างคนม า, า, าดา่าเจ้าด่าจะดูเสร็จแล้วมาคุยอวดอาตมานะบอกผมม่จ้างมันดาผมสองชั่วโมงผมไม่โกรธเลยตอนนั้นถ้าอาตมาสวนไปบอกไอ้โง่น ะ, ะโกรธเพราะว่าไม่ได้เสียค่าจ้าง<笑><笑>เห็นไหมว่าแกล้งดูอะแกล้งทำไม่ได้ของจริง แต่ถ้าอยู่ๆเพื่อนชมนะสาวชมสาวชมโอ้หมูนี้หล่อจังเนใจมันฟูเนี่ยมันฟูถ้าคอยจ้องาก่อนเธอชมยังสิโอคุณนี่สุดหล่อเลยโอ้ผมเปอุเบกขานะจริงผมโง่นะผมไปจ้องไว้ก่อนนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิเลสเกิดแล้วรู้ทีหลังไม่แปลกนะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเราจะมีสติฟ้อมกับกิบกเลสไม่ได้ กิเลสเป็นอกุศลสติเกิดกับกุศ ล, ลกุศลกับอกุศลเกิดพร้อมกันไม่ได้ทำอะไรไม่ใช่ฟังมนีวิชิตเห็นไหมดูสภาวะให้ออกรู้จักอะไรใช่ไหมนี่หัดดูอย่างเงี้ยหัดดูไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราจะรู้จักสภาวะทำเยอะแยะเลยทำอะไรอะไรนะ าาดูแล้วก็คิดเนี่ยหัดรู้ทันอย่างเนี้สังเกตไหมตรงที่รู้ทันอย่างกันนี้ยใจโล่งเลยไม่มีอะไรเลยนะเราก็สัมผัสนิพพานเล็กๆน้อยๆแล้วนิพพานหรือนิโรดนะนิโรดมีอยู่ห้าตัวนิโรดตัวที่หนึ่งนี่นะเป็นนิโรดที่เกิดจากสมถนะจิตมีโทสะนั่งแผ่เมตตาไปเรื่อยโทสะดับไปกิเลสดับแล้วนี่ก็เป็นนิโรดขั้นที่หนะึ่งเรียกวิขัมภนะนิโรด แต่ถ้าเราเห็นโทสะงเกิดขึ้นมาพอเราสติเราทานันปุ๊บมันสลายไปหมดเลยใจโล่งเลยนะเป็นนิโรธตัวที่สองเนะนี่กตาทางคานิโรธนะฝึกไปเรื่อยๆ เ, เราจะไปว่าดภาพว่านิพพานคืออะไรที่พิลึกพิลึ ก, ลกดีวิเศษนะนิพพานไ้่มีคําว่าวิเศษในะวิเศษนี่เราใส่ให้เองนิพพานที่พระพุทธเจ้า พ, พูดถึงนะคือความดับกันห า, าดับความทยานอยากนะ สภาวะแห่งนิพพานก็คือสภาวะแห่งสันตินะนิพพานมีลักษณะเดียวคือสันติความสงบนะสงบจากตัญหาสงบจากกิเลสเพราะฉะนั้นกิเลสเกิดขึ้นมาปับเราสติเราทันปั๊บมันสลายตัวไปเองนะถ้าเรารู้สภาวะตรงตามความเป็นจริงแล้วก็เราจะได้สัมผัสนะกับนิโรธระดับที่สองมีห้าระดับนะ นิโรธระดับที่สองทำอะไรไ อ, อะไรนะ อ, ะ อ, อะนะรู้ให้ทันแนละ้วตอนนี้นะ่ะตอนเนี้ยตอนนี้คิดมช่ไคิดหาคําตอบเนะนี่หัดดูอย่างเนี้ยนะถ้าลองสติเราทันสภาวะธรรมที่กําลังปรากฏจริงๆวับเดียวเท่านั้นนะ่นะนี่โรตัวที่สองก็ปรากฏแล้วเนกะ้อตาทงคานิโรธ คือความพ้นทุกข์ความดับจากปัญหามันเกิดขึ้นนะถ้าตัวที่สามมันเกิดในมรรคมรรคญาณนะมรรคจิตตัวที่สี่เกิดในผลและจิตไอ้นะั่นมรรคผลนิพพานนะดังั้นะตอนที่เราฝึกนี่เราฝึกอยู่ตัวที่สองนะยัเอาแค่ตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งไปใครฟังแล้วสงสัยบ้างสงสัยล้วรู้ลงไปเลย หัดรู้สภาวะจิละอันจิลาอนแก้วทำอะไรโยะโยะทำอะไรเห็นไหมบอกว่าอย่าไปจ้องไว้ก่อนอดไม่ได้ใช่ไหมอดไม่ได้ต้องทุกข์ต่อไปเพราะว่าการที่เรานั่งปฏิบัตินั่งจ้องนั่งกำหนดนั่นแหละทำให้ทุกข์เกิด เจ็กฟังยากหน่อยนะเจกไม่เคยฟังนะพวกนี้เขาเคยฟังเขนะ <c oughs> าบามาเดี๋ยวไปไหนไปแช่น้ำร้อนเหรอแล้ <c oughs> นะววัดวัดวางขนา <c oughs> วัดนั้นนะ่ะเขาเจาะน้ำบาดาลแ <c oughs> ไปเจอน้ำร้อนเขา <c oughs> ทำอะไรอะไรนะ <Okay. S 1> ดังๆหน่อยให้เพื่อนได้ยินคิค่ะเออนะ <Okay. S 1> คุณสมบูรณ์เนะ่ยทำอะไร <c oughs> นี่หักเรียนสภาวะนะนี่เบสิกที่สุดล ะ, ละก่อนจะทำวิปัสสนาในวิปัสสนาต้องเห็นสภาวะธรรมแล้วก็ต่อไปถึงจะเห็นว่าสภาวะธรรมไม่ใช่ตัวเรานะเป็นแค่รูปธรรมบ้างนามธรรมบ้างนั่นะเริ่มต้นของวิปัสสนาตัวจริง ทำอะไรทำอะไรกินเรารู้ไวๆอย่าเผลอยาวแต่ปล่อยให้เผลอไปเผ ล, อ ไ, ล, เลอไปแล้วรู้เผลอไปแล้วรู้ชำเลืองเป็นระยะระยะไปแต่ถ้าเราตั้งท่าว่าจะไม่ให้เผลอเลยนะจะเครียดมากเลยปฏิบัติแบบโยนะพ่ชีวิตนี้ทำไมความทุกข์เหมือนเยอะนะรู้ไหม ดูออกก้าโยเธอมันทำนะมันยังอดไม่ได้แต่รู้รู้ว่าอย่างนี้ไม่ดีจำไว้ก่อนไม่ใช่วิปัสสนานะไม่ใช่การปฏิบัติด้วยเป็นการทรมานทำอะไรเ <c oughs> นีน่รบรุ่ดไปๆนะ <c oughs> นเห็นไหมพอรู้แล้วใจโล่งเลยไมเหมือนเราเปิดโล่งออกไปเลยเหมือนเราตื่นขึ้นอย่างแท้จริง มีไปคิดอีกแล้วทราบไหมที่หัดอย่างนี้นะหัดเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราหัดรู้สภาวะนะรู้กายรู้ใจไปตามรู้ไปเรื่อยเรื่อยเรียกว่าอนุปัสสนาตามรู้กายก็เรียกกายอนุปัสสนาตามรู้ความสุขความทุกข์นะทั้งสุขกาย สุขใจอะไรเนี่ยดูแปเวเป็นเวทนานุปัสสนาไปตามรู้ไปอย่าไปจ้องไว้ก่อนตามรู้ไปพอต่อไปเราจําสภาวะธรรมได้เยอะจําได้แม่นพอสภาวะธรรมอะไรปรากฏแล้วสติก็รู้ทันห้า่เผลอไปละเคยเผลอคฟังหนึ่งหลายๆชั่วโมงคราวนี้เผลอสั้นลงสั้นลงสติก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นพอสติเกิดขึ้นบ่อยๆทียิบเลย นะปัญญาก็ค่อยๆสะสมไปพัฒนาไปนะเกิดความรู้ความเข้าใจว่าสภาวธรรมทั้งหลายนี่้ทุกๆตัวที่เราไปรู้ไปเห็นนี่มีแต่เกิดแล้วก็ดับไปดับไปนะทีแรกอาจจะเห็นเกิดดับเกิดดับอะไรก็เห็นไปเถอะต่อไปพอไปรู้เข้าวับขาดวับวับวับเลยนะมีชื่อสกู้เลยเรียกว่าพังขยานมีชื่อเยอะแยะยานทั้งหลายทําอะไรทําอะไร แล้วเลิกคิดหรือยัง yes, ยังยังนะยังคิดอยู Sometimes. ่นะอย่างต้องอย่างนี้อย่างนี้หลุดละอย่างเห็นไม่ว่าใจไม่มีน้ำหนักคำว่าไม่มีน้ำหนักไม่ได้แปลว่าเบานะไม่มีน้ำหนักคือไม่มีน้ำหนักถ้ารู้สึกเบาวิ้วเลยเดินจงกลมแล้วแหมเหมือนลอยอย่างนี้ผิดปกติแล้วเป็นอาการของสมถะแล้ว ถ้าเรารู้สึกตัวอย่างแท้จริงยังไม่มีน้ำหนักในใจเราเลยเป็นไงทำอะไรนี่ในหัดอย่างนี้นะต่อไปกิเลสเกิดแล้วก็อะโทรศัพท์มาละอาจจะไม่ใส่ชื่อก็ได้แค่รู้สภาวา่าใส่ชื่อหรือไม่ใส่ชื่อไม่สำคัญจะเรียกมันว่ารูปว่านามอะไรหรือเปล่าก็ไม่สำคัญ ให้รู้สภาวะไปเหอะแล้วจะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งบางสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาแล้วก็ผ่านไปสมบูรณ์ทำอะไรไอืมนะดีนะคอยดูไว้คุณสุนันต์เดี๋ยวนี้เก่งนะ <c oughs> ถ้าอาจะมาพูดคนเดียวมานานแล้วใครอยากพูดเลยเชิญ น, นะมีเวลาครึ่งชั่วโมงใครอยากจะคัดค้านเชิญก่อดฝ่ายคัดค้าน <c oughs> <c oughs> พวกเรามารายาท ด, ดีไม่ชอบเสียงพระนะไม่เหมือนคนสุรินนะคนสุรินเนี่ยเวลาพระเทศเทศอยู่แล้วก็เทศผิดนะ แล้วคนอีสานเนี่ยเขาจะนับถือศาสนาจะนับถือต่างกันถ้าคนอีสานเหนือเนี่ยจะนับถือพระสงฆ์มากพระสงฆ์เหมือนกับอะไรอย่างที่แตะต้องไม่ได้เทิดถูนไม่เบื้องสูงแต่คนอีสานใต้นับถือพระธรรมพระสงฆ์อย่าผิดนะผิดแล้วท้วงเลยจะ <c oughs> ถามกิยามารยาทอนะไรนั้นทางอีสานเหนือจะงาม สุภาพเรียบร้อยนะทำบุญทาทานเก่งอีสานใต้ไม่ค่อยมีอะไรจนอย่างอีสานเหนือเนี่ยเวลาเขาเข้าวัดนะผู้ชายจะ น, นั่งข้างหน้าเลยผู้หญิงจะอยู่ข้างหลังอีสานใต้ใครมาก่อนนั่งก่อนเขาไม่เหมือนพวกเรานะพวกเราชาวกรุงเทพอะมาก่อนนั่งหลัง <laughs> คนซุลินนี่ใครมาก่อนนั่งก่อนเด็กมาก่อนนั่งก่อนเลย นั่งหน้าไม่กลัวใครนะผู้ใหญ่มาทีหลังผู้ชายแล้วนั่งหลังก็มนะีเวลาฟังธรรมะฟังฟังไปยกมือขัดคานผมว่าไม่ใช่หรอกนะ <c oughs> น่าจะอย่างนี้ <c oughs> เวลาเรียนธรรมะกับทางสายสุรินสนุกแนะ ดีที่รู้ทันนะรู้ทันไม่มีปัญหามันรู้ไม่ทำเอะนึกว่ารู้ทันีตอนเนี้ยค่ะถูาวมันเหมือนตอนตอนนั้นมันรู้ว่า่นื่อเหมือน่าล่นแต่ว่ามันไ่เป็นเป็นประจำคืออย่างนี้บางครั้งเนี่ยใจเราบางคนเหนื่อยมากหรือเครียดมากนะมันก็หลบ ถ้าไปนอนแช่อะไรนิ่งๆเพลอๆเพลินๆให้สบายๆนี่ถ้าเรารู้ทันรู้ว่าเริ่มต้นน่ะรู้ว่าแช่ก็ยังดีที่รู้ว่าแช่แล้วอยากหายไหมอยากหายเหรออยากหายรู้ว่าอยากหาย <Yeah. S 1> เอาแต่สมมติเอาอยากหายจริงๆง่ายนิดเดียวเลยรู้ว่าแช่อยู่ใช่ไหม <Yeah. S 1> อย่าไปดูมันเริมตากขึ้นมาดูโลกนี่น รู้จักธรรมชาติของจิตนะจิตรู้อารมณ์ได้จีแล้วอย่างเดียวมันไปแช่อยู่กับอารมณ์มันเดียวเหรอนอนไปหาอารมณ์ใหม่มากระทบมันก็หายไปหมดแล้วสมมติไปนอนแช่อยู่คิดถึงคุณแม่อมาลาไอ้ที่แช่หลุดไปแล้วนะเดี๋ยวค่อยกลับมาแช่ใหม่เพราะฉะนั้นที่นกทำนะมันไม่มีปัญหา ที่ไม่มีปัญหาเพราะว่าแช่แล้วรู้ว่าแช่ไม่ต้องแก้ไขอะไรหรอกแต่ถ้าแช่แล้วไม่รู้ว่าแช่นี่อาการหนักอาการหนักคือไม่รู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงแต่ถึง ร, รู้รู้ว่ามันสิ่งปกติแต่มันก็ไม่ได้หายไปเรจะไปอยากหายนะมันมีเหตุมันก็เกิดถ้าเรายังทําเหตุอนั้นอยู่มันก็เป็น สังเกตไหมเวลาสมมติตอนที่เราไม่คิดปฏิบัติมันแช่ตอนไหนตอนไม่ได้คิดปฏิบัติหรือตอนปฏิบัติคือมันจะแช่ตอนที่มันมีอารมณ์ที่ไม่บริสุทธิ์ใจอ๋มันหนีนะมันหนีอารมณ์ <Yeah. S 1> สังเกตถ้าวัยขึ้นนะก็พอมันอารมณ์ไม่ดีกระทบปั๊บเนี่ยจิตเราเริ่มมีการทํางานถานกเห็นจิตที่ทํางา น, นกําลังจะค่อยๆเลื้อยลงไปแช่เนี่ย <Yeah. S 1> มันก็จะไม่แช่ แต่ถ้าลงไปแช่แล้วนะก็รู้ว่าแช่แล้วอยากให้ไม่แชร่รู้ว่าอยากไม่แช่แต่ถ้ามันแช่นานแช่เป็นชั่วโมงแล้วไม่รู้จักหลุดสัทีนะก็ไปหาอารมณ์ใหม่มากระทบออกนะหมากตานี้เล่นยากก็ล้มกระดานเล่นใหม่อันนี้มันมมเหมือนกับเหมือนไอ้ลงไปแช่เนี่ยมันเหมือนกอใช่ใช่ใช่ใช่ใชแล้วหนีหนีโลก เพราะฉะนั้นการปฏิบัติวิปนะัสสนาง่ายที่สุดไม่ต้องทำอะไรเนื้อสภาวะทมอะไรปรากฏขึ้นมาก็หัดรู้หัดเข้าใจไปทำอะไรเนียอย่างนี้ตอบไวเห็นไหมไม่ต้องคิดก่อนว่าทำอะไรเนี่ยเพราะว่าชำนาญขึ้นนี่ฟังครั้งที่สามนะเนี่ยบิ๊กนี่เขาครั้งที่สามนะโย <laughs> คนที่ไม่เคยฝึกมัง่ายคนที่ไม่เคยฟังก็จะฟังแล้วเข้าใจง่ายอย่างคนในครัง้งพุทธกาลไม่เคยฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพอไปฟังนะก็เข้าใจง่ายส่วนของเราเนี่ยฟังมาเยอะมีความคิดเก่าเยอ ะ, ะมีข้อมูลเก่าเยอะมีความเชื่ออยู่เยอะเลยการที่จะแหวกความเชื่อเก่าเก่าออกมาเลยเป็นเรื่องยากหรือความเคยชินเช่นเคยชินที่จะเพ่ง จะเลิกเพ่งเลยเป็นเรื่องยากคนไม่เคยเรียนไม่เคยรู้เนี่ยจะเรียนง่ายแต่เรียนแล้วมักขี้เกียจ น, นะต้องระวังเพราะพวกที่เขาไปลํลำบากมาแล้วนะเขาจะอึดพอเขาทำเป็นแล้วเขาขยันเขาดูได้เรื่อยๆแต่คนไม่เคยสนใจไม่ค่อยสนใจเนี่ยเรียนง่ายแต่เรียนแล้วไม่ค่อยทำบางคนมาบอกว่าแ้อายุห้าสิบแล้วจะทำเนาะบ่อย เปลี่ยนใจยังยัง<ส ứng>ออบังคับไม่ได้ไหมตอบมีเหตุฝนหลวงพ่ออย่ามาบังคับนะมันเป็นอนัตตาใครรู้สึกบ้างว่าจิตของเรามีความสุขรู้สึกไหมจิตใจมีความสุข มีครามสุขรู้ว่ามีความสุขเห็นเม็ดความสุขไม่ใช่ตัวเราเหรอกเป็นของถูกรู้เนี่ยอะไรเกิดขึ้นก็ดูไปไม่ใช่ตัวเราสักอันเดียวถ้าดูได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเราขึ้นต้นทางของการทำนิพพสนาได้แล้วเราเห็นสภาวะธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงรู้ไปทีละขณะทีละขณะแล้วพูดไปพูดมาก็าวนอยู่เรื่องเดิมเราไม่รู้มาฟังได้ยังไงนะทนอย่างไ ว่าไงกบไม่ค่อยได้ปฏิบัติใช่เปล่าหูนี้หรือขยนันขยนันเปล่า <c oughs> ดูตำแหน่งที่นั่งก็รู้แล้ว <c oughs> <c oughs> ให้บางหลังม <c oughs> ีอยู่หลังบอยให้เขาบาังให้นี่คือเขาหลบออกมา เรจังว่าใครฝึกปันปัดมาสํำนักไหนก็ให้ปันปัดไป อ, อ, อ, อย่างนั้นก่อนคือคือเคยทํำยังไงเอาุณนอ่ะเคยเคยทดลองหลายแบบอออเออเอองั้นไม่ดีนะเลิกทดลองนะเอาสันอักษณ์คืคือไม่ทราบว่ามันคือทดลองอย่างว่าคือแต่ละว่้แต่ละ ว, วิธีเนี่ยนะแต่และ ว, วิธีเนี่ยถ้าเราจับหลัก จับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงที่ครูบาอาจารย์แต่ละสำนักสอนได้นะแล้วก็คือการฝึกสติแต่ถ้าเราลองไปเรื่อยเราจับแก่นมันไม่ได้อย่างที่ว่าสมการการเป็นปเป็นการแบบที่แบบเป็นสมถะ ท, ที่ว่านะตอนนี้เราจะเลิกสมมติว่าเราจะไม่เลิกนั่งสมาธิอาจารย์มามไม่ได้สอนสให้เลิกนั่งสมาธินะอาจารย์มาก็ไม่ได้บอกให้ทำนิพพานนาอย่างเดียวสมถะเนี่ยเราทำนะเพื่อพักผ่อน เพื่อให้จิตใจชุ่มชื่นมีกําลังนะไม่ใช่ไม่ดีพนะระพุทธเจ้าสอนบอกทำที่ควรเจริญมีสองอย่างคือสมถะและวิปัสสนานะไม่ใช่ว่าทําสมถะไม่ดีแต่ไม่ใช่ทําสมถะเราคิดว่ากําลังทําวิปัสสนาอยูนะ่ปัญหามันอยู่ตรงนั้นคืต้องควบคู่กันไปคือไม่ไม่ใช่ควบคู่แบบครึ่งต่อครึ่งนะหมายถึงว่าขณะนี้เราไม่รู้จะปฏิบัติตยังไงเรางงไปหมดแนละ้วจิตใจสับสนพุตโธพุตโธไป พุทโธให้ใจไปอยู่กับพุทโธอันเดียวสมมติเราใช้พุทโธแล้วพุทโธพอใจเราอยู่ที่พุทโธเรารู้ว่าจิตเราอยู่กับพุทโธแล้วพุทโธไปพุทโธไปจิตหนีไปที่อื่นรู้ว่าจิตหนีไปก็กลับมารู้สึกตัวไปพุทโธไปพุทโธไปในที่สุดจะกลับมารู้ทันจิตใจได้นะอย่างของทางของคุณนี้แลเคยยกเท้ายั่งเท้าวันนี้งงไปหมดแล้วทําอะไรไม่ถูกเอาไปยกเท้ายั่งเท้าต่อจิตไหลไปอยู่ที่เท้ารู้ว่าจิตไปอยู่กับเท้า จิตไปคิดเรื่องเท้าว่ายกแล้วเดี๋ยวจะย่างแล้วเดี๋ยวอะไรเนี้ยเดี๋ยวจะลงแล้วเดี๋ยวจะกดเดี๋ยวจะถูกถ้กจะถูกจะกดเลยเนี้ยก็รู้ไปว่ามันคิดเรื่องนี้จิตเพ่งอยู่เรื่องนี้รู้ทันจิตยกเท้าย่างเท้าจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วในที่สุดเราก็จะรู้ทันจิตเสร็จแล้วเราก็จะมารู้สภาวะธรรมต่างๆที่จิตแอบไปทำ <S <S เช่นจิตแอบไปโกรธแล้วจิตแอบไปคิดแล้วกลบ <S <S <stop> ับมารู้สภาวะได้ เพราะฉะนั้นสมถะก็มีประโยชน์ไม่ใช่ไม่มนะีแต่เราต้องทำสมถะที่จะเป็นฐานของการทำนิพพานต่อไปนะไม่ใช่สมถะเริ่มอย่างพวกเราบางทีเราเลือกว่าเราทำสมถะเก่งนะคุยกันในลานทรม่ได้คุยแหละทำเป็นที่ไหนนะชานทำไม่ใช่ง่ายๆนะอย่างฌานเนี่ย มันไม่ใด้เอาอารมณ์หายใจเข้าหายใจออกมาเป็นอารมณ์มนะไม่ได้เอาตัวลมหายใจเป็นอารมณ์มนะสมมติจะทํำอนาปานสติให้ได้ฌานมันเอาปฏิภาคนิมิตของลมหายใจมาเป็นอารมณ์มนะถึงจะได้ฌานเนี่ยกว่าจะเกิดปฏิภาคนิมิตของลมอ่ะก็ไม่ใช่ง่ายๆ่ายเนียเพราะ ง, งั้นอย่ยที่เราคุยกันอุย้ยผมเข้าฌานว้าวนอกฌานแล้วไม่ใช่ฌานธรรมดาเนาะ ทำยากแะตายสมถะอภินยาจิตเนี่ยเกิดยังไงเออไม่ได้ฌานที่สี่หรือไม่ใช่อภิธรรมมีฌานที่ห้าไม่ได้อันนั้นไม่มีอภินยาสมถาจริงๆทำยากเราก็ชอบคุยแต่เรื่องสมถา นั่งนั่งแล้วหูบโอ้จิตรวมเข้าชั้นนั้นโควขาดสติจังหากัเห็นหลวงพ่อบนตรีท่านบนโอ้พวกรานทามันเตลิดเปิดเปิงพยายามไปดูจิตพระรหันอย่างเงี้ยนถอว่าจิตตีก็ดูให้ออกอะ น้เาเชิญเ ร, ชเร่นนื่นค่อกดอืมไอ้อันนี้มันเป็นเดียวเรื่องกบางทีนคะที่ทะทนอะไรนกคอยสังเกตเอานะคอยสังเกตเอานะ<อ>เราทำสมาถาเพื่อจะนอนให้หลับนี่ก็ดีแล้วนะขั้นแรกเลยต้องต้องนอนให้หลับให้ได้นะไม่งั้นอันตรายนะเพราะงั้นทำอย่างนั้นถูกต้องแล้ว ต่อไปพอเรามาอยู่ในชีวิตจริงพอกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีแล้วจิตจะเริ่มหนีอตรงที่จิตจะหนีเนี่ยถ้านครู้ทันว่ามันจะหนีเข้าไปแล้วมันก็ไม่เข้าแล้วต่อไปมันก็ไม่น้อมเข้าไปตรงนั้นอีกถ้ารู้ไม่ทันก็น้อมเข้าไปถ้าน้อมเข้าไปรู้ว่าน้อมเข้าไปก็ยังใช้ได้เลยอยากออกมารู้ว่าอยากออกมาก็ยังใช้ได้อีกเห็นไหมทําอะไรก็ได้นะี่มันง่ายถึงขนาดทําอะไรก็ได้ ขั้นแรกนอนให้หลับก่อนไม่อ so? okay, ันตรายไงฟังรู้เรื่องไหมเขาเก่งนะาต่มาพูดยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยดังๆนะหัวแก่แล้วหูตึงปตคนมีสาึงทำจะนั่งสมาธิไม่ได้ด้วยเลยใช้วิธีการเดินจงกรมเาน่อไม่ห ่คนที่ดันไปจอมอยูไม่คิด อ, อะไรเลยโท่เยกจะตวจยกหน่อยหยห่องไม่ยันเหมือนเาสื่อตรงนี้อเดินกลับไปกลับมาจนาทั่งความสว่าไปนช้าลช้าช้างแล้วยเองอยู่เองก มีโทรศัพท์ขึ้นในบ้านเรวิ่งปรัรศัทวิ่งปรัรศัพท์ปถ้าอที่เราคุยเพื่อนเมืเราไม่รู้ื่อนเป็นใครเนี่ยผมก็คุยโทรศัพท์กับเพื่อนแต่อยู่ดีเนียจิตมันเริ่ม่รู้ว่าเรามันจะเข้าไหนจะออกรีบผ้นมาหมดแล้วไม่ว่าเราจะอยู่อยากจะบานขึ้นไปล้านไหว่าเราจะโยกยากหรเียว